คำพีวิสุทธิมักปริเฉทที่สามกรรมฐานขาหะณะนิเทศเริ่มเรื่องสมาธิโดยเหตุที่โยคีบุคคลเมื่อตั้งตนไว้ในศีลอ น, นบริสุธทธ์ผุดพองด้วยคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้มักน้อยเป็นต้นซึ่งสำเร็จขึ้นด้วยการบำเพ็ญธุดงควัดชนีแล้วจำต้องจะเจริญสมาธิภาวนา ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ด้วยหัวข้อว่าจิตตังโดยพระบาลีว่าสีเลปฏิทัยยะนโรสปัญโยจิตตังปัญ ญ, ญจะภาวะยังดังนี้ประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งโดยเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสมาธินั้นไว้อย่างย่อสั้นมาก ไม่ต้องกล่าวถึงที่จะเจริญภาวนาแม้แต่เพียงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะกระทาได้ง่ายเลยฉะนั้นบัดนี้เพื่อที่จะแสดงสมาธินั้นอย่างพิสดารและเพื่อที่จะแสดงวิธีเจริญสมาธินั้นจึงขอตั้งปัญหากรรมเป็นมาตรฐานขึ้นไว้ดังต่อไปนี้คือปัญหาในสมาธิปดข้อ หนึ่งอะไรชื่อว่าสมาธิสองที่ชื่อว่าสมาธิเพราะอัตถะว่ากไกรสา 3. อะไรเป็นลักษณะเป็นรสเป็นอาการปรากฏและเป็นปัจจัยฐานของสมาธิสสมาธิมีกี่อยา่างหอะไรเป็นความเศร้าหมองของสมาธิห อะไรเป็นความผ่องแพ้วของสมาธิเจ็ดสมาธินั้นจะพึงเจริญภาวนาอย่างไรและแปดอะไรเป็นอานิสงส์ของสมาธิภาวนาวิสัชนาปัญหาข้อที่หนึ่งบรรดาปัญหาเหล่านั้นมีคำวิสัชนาดังต่อไปนี้ ปัญหาข้อว่าอะไรชื่อว่าสมาธิวิสัชนาว่าสมาธินั้นมีหลายอย่างหลายประการด้วยกันการที่จะยกมาวิสัชนาแสดงให้แจ่มแจ้งทุกๆอย่างนั้นเห็นที่จะไม่สําเร็จสมความหมายเฉพาะที่ต้องการกลับจะทําให้เกิดความฟั่นเฟือยิ่งขึ้นเสียด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอวิสัชนาเจาะเอาเฉพาะที่ต้องการในที่นี้ว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียวฝ่ายกุศลชื่อว่าสมาธิวิสัชนาปัญหาข้อที่สองปัญหาข้อว่าที่ชื่อว่าสมาธิเพราะอัฏฐว่าอะไรนั้นมีวิสัชนาว่าที่ชื่อว่าสมาธิเพราะอัฏฐว่าความตั้งมัน่น ที่ว่าความตั้งมั่นนี้ได้แก่อะไรได้แก่ความตั้งอยู่หรือความดำรงอยู่ของจิตและเจตสิกทั้งหลายในอารมณ์อันเดียวอย่างสม่ำเสมอและโดยถูกทางด้วยเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกทั้งหลายยอมตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างสม่ำเสมอและโดยถูกทางด้วยไม่ฝุ้งซ่านและไม่สายไปในอารมณ์อื่น ด้วยอำนาจแห่งธรรมชาติใดธรรมชาตินี้พึงทราบว่าคือความตั้งมัน่นวิสัชนาปัญหาข้อที่สามปัญหาข้อว่าอะไรเป็นลักษณะเป็นรสเป็นอาการปรากฏและเป็นปัจัฐานของสมาธินั้นมีวิสัชนาว่า สมาธินั้นมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะมีการกำจัดเสียซึ่งความฟุ้งซ่านเป็นรถมีการไม่หวั่นไหวเป็นอาการปรากฏมีความสุขเป็นประทัดฐานเพราะพระบาลีรับรองว่าสุขีโนโจิตตังสมาธิยติจิตของบุคคลผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นชนี้ วิสัชนาปัญหาข้อที่สี่ปัญหาข้อว่าสมาธิมีกี่อย่างนั้นมีวิสัชนาว่าหนึ่งสมาธิมีอย่างเดียวด้วยมีลักษณะไม่ฟุ้งเป็นประการแรกสสมาธิมีสองอย่างสมาธิมีสองอย่างดังนี้คือหมวดที่หนึ่ง โดยแยกเป็นอุปจารสมาธิหนึง่งอปปนาสมาธิหนึง่งหมวดที่สองโดยแยกเป็นโลกิยสมาธิหนึง่งโลกุจระสมาธิหนึง่งหมวดที่สามโดยแยกเป็นสปีติกะสมาธิสมาธิประกอบด้วยปีติหนึง่งนิปิติกะสมาธิสมาธิปราศจากปีติหนึง่ง หมวดที่สี่โดยแยกเป็นสุขสหคตะสมาธิสมาธิประกอบด้วยสุขเวทนาหนึ่งอุเบกขาสหาคตะสมาธิสมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาหนึ่งสมสมาธิมีสามอย่างดังนี้คือหมวดที่หนึ่งโดยแยกเป็นหีนสมาธิมัชชิมสมาธิ ปิตาสมาธิหมวดที่สองโดยแยกเป็นสวิตตะกะสวิจาระสมาธิสมาธิที่มีวิตกมีวิจารอวิตตะกะวิจาระมัตตะสมาธิสมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจารอวิตตะกะวิจาระสมาธิสมาธิไม่มีทั้งวิตตกทั้งวิจาร หมวดที่สาโดยแยกเป็นปีติสหคตะสมาธิสมาธิประกอบด้วยปีติสุขะสหคตะสมาธิสมาธิประกอบด้วยสุขวเวทนาอุเบกขาสหาคตะสมาธิสมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาหมวดที่สี่โดยแยกเป็นปริตตสมาธิ สมาธิมีประมาณน้อยมหคตาสมาธิสมาธิอันยิ่งใหญ่อปปามณะสมาธิสมาธิอันหาประมาณมิได้สสมาธิมีสี่อย่างดังนี้คือหมวดที่หนึ่งโดยแยกเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาสมาธิ สมาธิที่มีปฏิปทาลำบากทั้งรู้ช้าทุกขาปฏิ ป, ป, าาาา ท, ท, ป, ปทาขิปปาพิญญาสมาธิสมาธิที่มีปฏิปทาลำบากแต่รู้เร็วสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาสมาธิสมาธิที่มีปฏิปทาสบายแต่รู้ช้าและสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาสมาธิ สมาธิที่มีปฏิปทาสบายด้วยรู้เร็วด้วยหมวดที่สองโดยแยกเป็นปริตาปริตา ร, รัมณสสมาธิสมาธิที่ไม่คล่องแคล่วและไม่ได้ขยายอารมณ์ปริตาอัปปม า, ามนารัมณสสมาธิสมาธิที่ไม่คล่องแคล่วแต่ขยายอารมณ์อัปปามนาปริตารัมณสมาธิ สมาธิที่คล่องแคล่วแต่ไม่ได้ขยายอารมณ์อัปปามะนะอัปปมานารัมมนะสมาธิสมาธิที่คล่องแคล่วและขยายอารมณ์สมาธิสี่อย่างหมวดที่สามโดยแยกเป็นองค์แห่งฌานสี่คือองค์แห่งปฐมฌานองค์แห่งทุติยะฌานองค์แห่งตติยะฌานองค์แห่งจตุทถตฌาน สมาธิมีสี่อย่างหมวดที่สี่โดยแยกเป็นหาณภาคิยาสมาธิสมาธิเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมทิติภาคิยะสมาธิสมาธิเป็นไปในส่วนแห่งความติดแน่นวิเศษภาคิยะสมาธิสมาธิเป็นไปในส่วนแห่งคุณในวิเศษและนิพทภาคิยาสมาธิ สมาธิเป็นไปในส่วนแห่งอันแทงทะลุสัจธรรมสมาธิสี่อย่างหมวดที่ห้าโดยแยกเป็นกามาวจรสมาธิสมาธิเป็นกามาวจรรูปาวจรสมาธิสมาธิเป็นรูปาวจร อ, อรูปาวจรสมาธิสมาธิเป็นอรูปาวจร อปาริยาปัญสมมาธิสมาธิเป็นโลกุตระหมวดที่หกโดยแยกเป็นชันธทาธทิปติสมาธิสมาธิมีชันธะเป็นอธิบดีวิริยทิปติสมมาธิสมา ธ, มาธิมีวิริยะเป็นอธิบดีจิตตาทิปติสมาธิสมาธิมีจิตเป็นอธิบดี วิมังสาธิปติสมาธิสมาธิมีวิมังสาคือปัญญาเป็นอาทิบดีห้าสมาธิมีห้าอย่างดังนี้คือโดยแยกเป็นองค์แห่งฌานห้าในปัจจกะานยะได้แก่องค์แห่งปฐมฌานองค์แห่งทุติยฌานองค์แห่งตติยฌานองค์แห่งจตุทถฏฌาน องแห่งปัญจมะฌานอธิบายสมาธิอย่างเดียวในสมาธิอย่างเดียวและสมาธิมีสองอย่างนั้นสมาธิที่มีส่วนอย่างเดียวมีเนื้อความกระจางอยู่แล้วไม่ต้องพัฒนาความอีกอธิบายสมาธิสองอย่าง ในสมาธิที่มีส่วนสองอย่างหมวดที่หนึ่งที่ว่าสมาธิมีสองอย่างโดยแยกเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินั้นมีอาธิบายดังนี้ภาวะที่จิตเป็นเอกคตาคาว่าเอกคตาตามรูปศัพท์แปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียวโดยความหมายได้แก่เอกคตาเจตสิก ในันยะสมานาเจตสิกสิบสามดวงซึ่งโดยปกติย่อมเข้าประกอบกับจิตทุกดวงแต่มีกำลังอ่อนในที่นี้มีกำลังกล้าสามารถจัดทำให้สัมปยุท ธ, ธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้นานๆซึ่งจัดเป็นองค์ฌานองค์หนึ่งภาวะที่จิตเป็นเอกคัตตา ที่โยกขี่บุคคลได้มาด้วยอำนาจกรรมฐานสิบเหล่านี้คืออนุสติหได้แก่พุท ธ, ธานุสติถึงเทวตานุสติมรณสติหนึ่งอุปสมานุสติหนึ่งอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตวุวัฏฏฐานหนึ่งนี้อย่างหนึ่งกับเอกขตาในปุพภพ า, ภาคเบื้องต้นแห่งอัปปนาสมาธิทั้งหลายอย่างหนึ่ง เอกคตาชนิดนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนเอกคตาถัดไปแต่บริกรรมภาวนาเอกคตาชนิดนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิเพราะมีพระบาลีรับรองว่าบริกรรมภาวนาแห่งปฐมฌานย่อมเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอนันตระปัจจัยชนนี้ หมวดที่สองที่ว่าสมาธิมีสองอย่างสมาธิมีสองอย่างโดยแยกเป็นโลกิยาสมาธิและโลกุตระสมาธินั้นมีอธาธิบายดังนี้เอกคตาที่ประกอบด้วยกุศ ล, ลจิตในภูมิสามคือการมภูมิรูปภูมิและอารูปภูมิเรียกว่าโลกิยะสมาธิ เอกะขะตาที่ประกอบด้วยอริยะมรรคจิตเรียกว่าโลกุตระสมาธิหมวดที่สามที่ว่าสมาธิมีสองอย่างโดยแยกเป็นสปิติกะสมาธินิปิติกะสมาธิมีอธิบายดังนี้เอกคตาในฌานสองข้างต้นในจตุกกนาลและในฌานสามข้างต้นในปัญจากาล เรียกว่าสัปีติกะสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยปีติเอกัคตาในฌานสองที่เหลือข้างปลายเรียกว่านิปติกะสมาธิคือสมาธิที่ปราศจากปีติส่วนอุปจารสมาธิที่ประกอบด้วยปีติก็มีที่ปราศจากปีติก็มี หมวดที่สี่ที่ว่าสมาธิมีสองอย่างโดยแยกเป็นสุขาสหาคตะสมาธิและอุเปกขาสหาคตะสมาธินั้นมีอธิบายดังนี้เอกคตาในฌานสามข้างต้นในจตุกไกนและในฌานสี่ข้างต้นในปัญจากาในเรียกว่าสุขสหคตะสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยสุขเวทนา เอกคตาเนชานที่เหลือข้างปลายเรียกว่าอุเปกขาสหคตะสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาส่วนอุปจารสมาธิที่ประกอบด้วยสุขเวทนาก็มีที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาก็มีอธิบายสมาธิสามอย่าง ในสมาธิที่แยกเป็นสามอย่างหมวดที่หนึ่งที่ว่าสมาธิมีสามอย่างโดยแยกเป็นหีนสมาธิมัชชิมาสมาธิและปณีตะสมาธินั้นมีอัธยาธิบายดังนี้สมาธิที่พอได้บรรลุยังไม่ได้ซ้องเสพให้หนักยังไม่ได้ทําให้มากๆากเรียกว่าหีนสมาธิคือสมาธิขั้นต่ําสมาธิที่ทําให้เกิดขึ้น ยังไม่ได้ที่คื อ, อยังไม่ได้ทำให้ถึงความคล่องแคล่วเป็นอย่างดีเรียกว่ามัชิมาสมาธิคือสมาธิขั้นกลางสมาธิที่ทำให้เกิดขึ้นได้ที่ดีแล้วคือถึงความเป็นว ส, สีมีความสามารถอย่างคล่องแคล่วแล้วเรียกว่าปณีตสมาธิคือสมาธิขั้นประณีตไขความว่า ที่ชื่อว่าหินะสมาธิเพราะให้เป็นไปด้วยความปรารถนาผลบุญอันโอลานที่ชื่อว่ามัชิมสมาธิเพราะให้เป็นไปด้วยจะให้สำเร็จอภิญญาโลกยะที่ชื่อว่าปณิตสมาธิเพราะท่านผู้ดำรงอยู่ในอริยภาพให้เป็นไปด้วยปรารถนาความสงัดจิต อีกนัยยะหนึ่งที่ชื่อว่าหินสมาธิเพราะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วยต้องการภวะสมบัติที่ชื่อว่ามัชชิมะสมาธิเพราะให้เป็นไปด้วยอัธยาศัยที่ไม่โลภอย่างเดียวที่ชื่อว่าปณีตสมาธิเพราะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นอีกนัยยะหนึ่งที่ชื่อว่าหิณสมาธิ เพราะให้เป็นไปด้วยมีอัธยาศัยติดอยู่ในวัตตะที่ชื่อว่ามัชชิมะสมาธิเพราะให้เป็นไปด้วยอัธยาศัยชอบความสงัดที่ชื่อว่าปณิตสมาธิเพราะให้เป็นไปด้วยอัธยาศัยใกล้ปราศจากวัฏ ต, ตะดยต้องการให้บรรลุถึงโล ก, กุตระธรรม หมวดที่สองที่ว่าสมาธิมีสามอย่างโดยแยกเป็นสวิตตกะสวิจาระสมาธิอวิฏตกะวิจาระมัตตสมาธิและอวิฏตกะวิจาระสมาธินั้นมีอถาธิบายดังนี้สมาธิในปฐมฌานรวมทั้งอุปจาระสมาธิเรียกว่าสวิตตกะสวิจาระสมาธิ คือสมาธิมีทั้งวิตกมีทั้งวิจารสมาธิในทุติยชาญในปัญจกะในเรียกว่าอาวิตต ก, กะวิจาระมัตาสมาธิคือสมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจารอธิบายว่าโยคีบุคคลใดเห็นโทษแต่ในวิตกอย่างเดียวไม่เห็นโทษในวิจาร จึงปรารถนาที่จะละวิตกอย่างเดียวผ่านพ้นปฐมฌานไปโยคีผู้นั้นยอมได้สมาธิที่ไม่มีวิตกแต่มีวิจารข้อว่าอาวิตักกกวิจาระมตสมาธินั้นหมายเอาสมาธิที่กล่าวนี้เอกคตาในฌานสามสำหรับจะตกกันในมีทุติยฌานเป็นต้นไป สำหรับปัญจกนัยมีตัติยะฌานเป็นต้นไปเรียกว่าอาวิตรกาวิจารสมาธิคือสมาธิไม่มีทั้งวิตกทั้งวิจารหมวดที่สามที่ว่าสมาธิมีสามอย่างโดยแยกเป็นปิติสหคตะสมาธิสุขสหคตะสมาธิ และอุเปกขาสหาคตาสมาธินั้นมีอธิบายดังนี้เอกคตาในฌานสองเบื้องต้นในจตุกไกนและในฌานสามเบื้องต้นในปัญจไนเรียกว่าปีติสหคตาสมาธิคือสมาธิประกอบด้วยปีติเอกคตาในฌานที่สามและฌานที่สี่ ในจตุ ก, กนัยและปัญจก น, นัย น, นั่นแหละเรียกว่าสุขสหคตาสมาธิคือสมาธิประกอบด้วยสุขเวทนาเอากคตาในฌานอันสุดท้ายทั้งในจตุ ก, กนัยและปัญจกนัยคือในจตุทถาฌานหรือในปัญจมะฌานเรียกว่าอุเปกขาสหคตาสมาธิ คือสมาธิประกอบด้วยอุเบกขาวเวทนาส่วนอุปจารสมาธิประกอบด้วยสุขเวทนาก็มีประกอบด้วยอุเบกขาวเวทนาก็มีหมวดที่สี่ที่ว่าสมาธิมีสามอย่างโดยแยกเป็นปริตตสมาธิมหคตะสมาธิและอัปปมาณสมาธินั้น มีอธิบายดังนี้เอกคตาในอุปจารชาชันภูมิคือในจิตตุ บ, บา ท, ที่ประกอบด้วยอุปจารชาชันเรียกว่าปริตตสมาธิสมาธิมีประมาณน้อยหรือกามาวจรสมาธิเอกคตาในรูปปาวจรกุศลจิตและเอารู ป, ปาวจรกุศลจิตเรียกว่า มหัคตะสมาธิคือสมาธิอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าสมาธิที่ถึงภาวะอันยิ่งใหญ่โดยการข่มกิเลสหนึ่งโดยมีผลอันไพ่บูนกว้างขวางหนึ่งโดยสืบต่ออยู่ได้นานๆหนึ่งหรือสมาธิที่ดําเนินไปด้วยคุณอันยิ่งใหญ่มีชันทะอันยิ่งใหญ่เป็นต้นเรียกว่ามหัคตะสมาธิ เอกะขะตาที่ประกอบด้วยอริยมรรคจิตคือที่เกิดร่วมกับอริยมรรคจิตเรียกว่าอัปปมานสมาธิคือสมาธิอันหาประมาณมิได้หรือสมาธิอันมีธรรมะหาประมาณมิได้เป็นอารมณ์อธิบายสมาธิสี่อย่าง ในสมาธิที่แยกเป็นสี่อย่างหมวดที่หนึ่งที่ว่าสมาธิมีสี่อย่างโดยแยกเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาพิญญาสมาธิเป็นต้นนั้นมีอธิบายดังนี้คือสมาธิสี่อย่างได้แก่ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาสมาธิทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาสมาธิสุขขาปฏิปทาธัญญาพิญญาสมาธิ และสุขขาปฏิปทาคิปปาอพิญญาสมาธิอธิบายว่าในปฏิปทาและอพิญญาสองอย่างนั้นการเจริญภาวนาสมบัติที่ดําเนินไปนับตั้งแต่ลงมือสำรวจจิตเจริญกรรมฐานครั้งแรกจนถึงอุปจาราฌานของฌานนั้นๆเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิปทาคือการปฏิบัติ ส่วนปัญญาที่ดำเนินไปนับตั้งแต่อุปจาราชานไปจนถึงอปปนาชานเรียกว่าอภิญญาคือการรู้แจ้งก็แลปฏิปทาคือการปฏิบัตินี้นั้นย่อมเป็นทุกข์คือลำบากสองเศษไม่สะดวกสำหรับโยคีบุคคลบางคนเพราะการรบเรา้าและการยึดครองของธรรมะที่เป็นข้าศึกมีนิวรณเป็นต้น แต่เป็นความสะดวกสบายสำหรับโยคีบุคคลบางคนเพราะไม่มีการรบเร้าและยึดครองของธรรมะที่เป็นค่าศึกแม้อภิญญาคือการรู้แจ้งก็เป็นการเชื่องช้าเฉื่อยชาไม่เกิดโดยฉับพลันสำหรับโยคีบุคคลบางคนแต่สำหรับโยคีบุคคลบางคนก็รวดเร็วไม่เฉื่อยชาเกิดโดยฉับพลัน ก็แหละธรรมะอันเป็นที่สบายและไม่เป็นที่สบายหนึ่งบุพภกิกข์เบื้องต้นมีการตัดปะริโพธ์คือเครื่องกังวลให้สิ้นห่วงหนึ่งและความฉลาดในอัปปนาทั้งหลายหนึ่งเหล่าใดที่ข้าพเจ้าจัดยกมาพัร น, นาข้างหน้าในบรรดาธรรมะเหล่านั้นโยคีบุคคลใดเป็นผู้ซ่องเสพธรรมะอันไม่เป็นที่สบายโยคีบุคคลผู้นั้นย่อมมีปฏิปทา คือการปฏิบัติลำบากเป็นทุกข์และมีอภิน ญ, ญาคือการรู้แจ้งเชื่องชา้าโยคีบุคคลพูดสองเสพธรรมอันเป็นที่สบายย่อมมีปฏิปทาคือการปฏิบัติสะดวกสบายและมีอภิน ญ, ญาคือการรู้แจ้งอย่างรวดเร็วส่วนโยคีบุคคลใดในตอนต้น ก่อนจะได้บรรล uh ุอ huh. ุปจารสมาธิสองเสพธรรมะอันไม่เป็นที่สบายตอนหลังจากที่บรรลุอุปจารสมาธิแล้วได้สองเสพธรรมะอันเป็นที่สบายหรือในตอนต้นได้สองเสพธรรมะอันเป็นที่สบายตอนหลังได้สองเสพธรรมะอันไม่เป็นที่สบายพึงทราบว่าปฏิปทาและอภิญญาของโยคีบุคคลนั้นคละกัน อ, อธิบายว่าโยคีบุคคลใดในตอนต้นซ้องเสพธรรมะอันไม่เป็นที่สบายตอนหลังได้ซ้องเสพธรรมะอันเป็นที่สบายโยคีบุคคลนั้นมีปฏิปทาลำบากเป็นทุกข์แต่มีอภิญญาการรู้แจ้งอย่างรวดเร็วส่วนโยคีบุคคลใดในตอนต้นซ้องเสพธรรมะอันเป็นที่สบายตอนหลังได้ซ้องเสพธรรมะอันไม่เป็นที่สบาย โยคีบุคคล น, นั้นมีปฏิปทาสะดวกสบายแต่มีอภิญญาการรู้แจ้งเชื่องช้าพึงทราบสมาธิที่สองและที่สามเพราะความคละกันแห่งสมาธิที่หนึ่งและที่สี่ชนนี้สำหรับโยคีบุคคลผู้ไม่ได้จัดแจงทําบุพภกิจเบื้องต้น มีการตัดปริโพโธ์เครื่องกังวลให้สิ้นห่วงเป็นต้นเส ก, ก่อนแล้วลงมือประกอบการเจริญภาวนาก็เหมือนกันคือย่อมมีปฏิปทาการปฏิบัติลำบากเป็นทุกข์โดยปริยายตรงกันข้ามสำหรับโยคีบุคคลผู้จัดแจงทมบุพภิกิจให้เสร็จสิ้นแล้วจึงลงมือประกอบการเจริญภาวนาย่อมมีปฏิปทาสะดวกสบาย ส่วนโยคยีบุคคลผู้ที่ไม่ได้เรียนอปปนาโกศลคือความเป็นผู้ฉลาดในอปปนาให้สําเร็จก่อนย่อมมีอภิญญาการรู้แจ้งอย่างเชื่องช้าผู้ที่เรียนอปปนาโกศลให้สําเร็จก่อนย่อมมีอภิญญาการรู้แจ้งอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งพึงทราบประเภทของปฏิปทา และอภิญญานี้ด้วยอำนาจแห่งตัญหาและอวิชชาหนึ่งด้วยอำนาจแห่งสมถทาทิการและวิปัสนาธิการหนึ่งต่อไปกล่าวคือโยคีบุคคลผู้อันตันหาครอบงาย่อมมีปฏิปทาลำบากเป็นทุกข์ผู้ที่ไม่ถูกตันหาครอบงาย่อมมีปฏิปทาสะดวกสบายและโยคีบุคคลผู้อันอวิชชาครอบงา ย่อมมีอภิญยาเชื่องช้าผู้ที่ไม่ถูกอวิชชาครอบงำย่อมมีอภิญยารวดเร็วและโยคีบุคคลผู้มีอธิการอันไม่ได้ทำไว้ในสมถภาวนาย่อมมีปฏิปทาลำบากเป็นทุกข์ผู้มีอธิการอันได้ทำไว้แล้วย่อมมีปฏิปทาสะดวกสบาย ส่วนผู้มีอธิการอันไม่ได้ทำไว้ในวิปัสนาภาวนาย่อมมีอภินยาเชื่องช้าผู้มีอธิการอันได้ทำไว้แล้วย่อมมีอภินยารวดเร็วพึงทราบประเภทของปฏิปทาและอภินยาเหล่านี้แม้ด้วยอำนาจแห่งกิเลสและอินทรีย์ห้าอีกกล่าวคือโยคีบุคคลผู้มีกิเลสรุนแรง แต่มีอินทรีย์ย่อหย่อนย่อมมีปฏิปทาลำบากเป็นทุกข์และมีอภินญาเชื่องช้าส่วนผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าย่อมมีอภิญญารวดเร็วและโยคีบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางมีอินทรีย์ย่อหย่อนย่อมมีปฏิปทาสะดวกสบายแต่มีอภินญาเชื่องช้าส่วนผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้า ย่อมมีอภิญญารวดเร็วด้วยประการชนี้ในปฏิปทาและอภิญญาเหล่านี้โยคีบุคคลใดได้บรรลุซึ่งสมาธิด้วยปฏิปทาอันลำบากเป็นทุกข์และด้วยอภินยาอันเชื่องช้าสมาธิของโยคีบุคคล น, นั้นเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาสมาธิโยคีบุคคลใด ได้บรรลุซึ่งสมาธิด้วยปฏิปทาอันลำบากเป็นทุกข์และด้วยอภิญญาอันรวดเร็วสมาธิของโยคีบุคคลนั้นเรียกว่าทุกขาปฏิปทาคิ ป, ปาภิญญาสมาธิโยคีบุคคลใดได้บรรลุซึ่งสมาธิด้วยปฏิปทาอันสะดวกสบายและด้วยอภิญญาอันเชื่องช้าสมาธิของโยคีบุคคลนั้นเรียกว่า สุข้าปฏิปทาทันทาพิญญาสมาธิโยคีบุคคลใดได้บรรลุซึ่งสมาธิด้วยปฏิปทาอันสะดวกสบายและด้วยอภิญญาอันรวดเร็วสมาธิของโยคีบุคคลนั้นเรียกว่าสุข้าปฏิปทาคิปปาพิญญาสมาธิ หมวดที่สองที่ว่าสมาธิมีสี่อย่างโดยแยกเป็นปริตตปริตารัมณะสมาธิเป็นต้นนั้นมีอธิบายดังนี้คือสมาธิสี่อย่างได้แก่ปริตตาปริตารัมณะสมาธิหนึ่งปริตตาอัปปามารัมณะสมาธิหนึ่งอัปปามะปริตารัมณะสมาธิหนึ่ง และอัปปามณะอัปปาม า, ารมณะสมาธิหนึ่งอธิบายว่าในสมาธิเหล่านั้นสมาธิใดยังไม่คล่องแคล่วไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ฌานเบื้องสูงขึ้นไปได้สมาธินี้ชื่อว่าปริตะสมาธิคือสมาธิมีประมาณน้อยส่วนสมาธิใดเป็นไปในอารมณ์ที่ไม่ได้ขยาย สมาธินั้นชื่อว่าปริตตารมณนะสมาธิคือสมาธิมีอารมณ์มีประมาณน้อยสมาธิใดคล่องแคล่วแล้วจเจริญให้เกิดขึ้นได้ที่แล้วสามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ฌานเบื้องสูงขึ้นไปได้สมาธินี้ชื่อว่าอัปปามานะสมาธิคือสมาธิหาประมาณมิได้ และสมาธิได้เป็นไปในอารมณ์ที่ขยายแล้วสมาธินี้ชื่อว่าอัปปมามารมณะสมาธิคือสมาธิมีอารมณ์หาประมาณมิได้ส่วนนนยะที่คละกันแห่งสมาธิที่หนึ่งและที่สี่ซึ่งสงเคราะห์เข้าเป็นสมาธิที่สองและที่สามพึงทราบโดยความคละกันแห่งลักษณะที่กล่าวแล้วดังนี้คือ สมาธิใดอย่างไม่คล่องแคล่วไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ฌานเบื้องสูงขึ้นไปได้แต่เป็นไปในอารมณ์ที่ขยายแล้วสมาธินี้ชื่อว่าปริตะอปมานารมณสมาธิคือสมาธิมีประมาณน้อยมีอารมณ์หาประมาณไม่ได้ส่วนสมาธิใดคล่องแคล่วแล้วสามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ฌานเบื้องสูงขึ้นไปได้ แต่เป็นไปในอารมณ์ที่ไม่ได้ขยายสมาธินี้ชื่อว่าอัปมาณะปริตารมณะสมาธิคือสมาธิหาประมาณมิได้มีอารมณ์มีประมาณน้อยหมวดที่สามที่ว่าสมาธิมีสี่อย่างโดยแยกเป็นองค์แห่งฌานสี่นั้นมีอธิบายดังนี้คือ ปฐมฌานมีองค์ห้าด้วยอำนาจวิตกวิจารปีติสุขสมาธิซึ่งข่มนิวรได้แล้วเหนือจากปฐมฌานไปวิตกกับวิจารสงบลงทุติยะฌานจึงมีเพียงองค์สามคือปีติสุขและสมาธิเหนือจากทุติยะฌานไปปีติสางหายไปตติยะฌานจึงมีเพียงองค์สอง คือสุขและสมาธิเหนือจากตติยะฌานไปละสุขเสียแต่จตุทถตฌานคงมีองค์สองคือสมาธิหนึ่งอุเบกขาเวทนาหนึ่งด้วยประการฉนี้องค์แห่งฌานสี่เหล่านี้จึงเป็นสมาธิสี่อย่างสมาธิสี่อย่างโดยแยกเป็นองค์ฌานสี่ยุติเพียงเท่านี้ หมวดที่สี่ที่ว่าสมาธิมีสี่โดยแยกเป็นหานภากคียาสมาธิเป็นต้นมีอัธยาที่บายดังนี้คือสมาธิสี่อย่างได้แก่หานภากคียาสมาธิทิติภากคียาสมาธิวิเศษภากคียาสมาธิและนิเพเทภากคียสมาธิอธิบายว่า ในสมาธิสี่อย่างนั้นพึงทราบว่าที่ชื่อว่าหานภาคียสมาธิสมาธิเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมด้วยอำนาจของความรบกวนของธรรมะเป็นข้าศึกของฌานนั้นๆมีนิวรณ์วิตกและวิจารเป็นต้นที่ชื่อว่าทิติภาคียสมาธิสมาธิเป็นไปในส่วนแห่งความติดแน่น ด้วยอำนาจความติดแน่นด้วยสติอันสมควรแก่สมาธินั้นที่ชื่อว่าวิเศษภาคียะสมาธิสมาธิเป็นไปในส่วนแห่งคุณในวิเศษด้วยอำนาจเป็นเหตุบรรลุซึ่งคุณในวิเศษเบื้องสูงขึ้นไปและที่ชื่อว่านิเพธภาคยะสมาธิ สมาธิเป็นไปในส่วนแห่งอันแทงทะลุสัจธรรมด้วยอำนาจความใฝ่ใจในสัญญาอันประกอบด้วยนิพิทายานและความเร่งเรา้าเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ใดสำเร็จปฐมฌานความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วยความหมายมั่นในกามาคุณยอมเร่งเร้ารบ ก, กวนอยู่ปัญญาก็ยังมีส่วนแห่งความเสื่อม สติอันสมควรแก่ฌานนั้นยอมติดแน่นปัญญาก็มีส่วนแห่งความติดมั่นความไฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วยฌานที่ไม่มีวิตกยอมเร่งเรา้าปัญญาก็มีส่วนแห่งคุณในวิเศษความไฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วยฌานเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายยอมเร่งเรา้าปัญญามีส่วนแห่งความแทงทะลุสัจธรรม ประกอบด้วยธรรมะอันคลายความกำหนัดก็แลแม้สมาธิที่ประกอบด้วยปัญญานั้นก็จัดเป็นสมาธิสี่อย่างชนนี้สมาธิสี่อย่างโดยแยกเป็นหานพากคิย์สมาธิเป็นต้นยุติเพียงเท่านี้หมวดที่ห้า ที่ว่าสมาธิมีสี่อย่างโดยแยกเป็นกามาวจรสมาธิเป็นต้นนั้นมีอธิบายดังนี้คือสมาธิสี่อย่างนั้นคือกามาวจรสมาธิรูปาวจรสมาธิอรูปาวจรสมาธิอปริยาปัณสสมาธิอธิบายว่าในสมาธิสี่อย่างนั้นเอกคตาในอุปจาราฌานแม้ทั้งสิ้น เรียกว่ากามาวจรสมาธิจิตเตกัคคตาอันเป็นรูปาวจรกุศลเรียกว่ารูปาวจรสมาธิจิตเตกัคคตาอันเป็นอรูปาวจรกุศลเรียกว่าอรูปาวจรสมาธิจิตเตกัคคตาอันเป็นโลกุตระกุศลเรียกว่าอป ร, ริยาปณสมาธิ สมาธิสี่อย่างนี้โดยแยกเป็นกามาวจรสมาธิเป็นต้นยุติเพียงเท่านี้หมวดที่หที่ว่าสมาธิมีสี่อย่างโดยแยกเป็นอธิบดีสี่นั้นมีอั ธ, ธทิบายโดยมีพระบาลีรับสมอ้างดังนี้คือถ้าภิกษุทําฉันทะให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้ภาวะที่จิต Syria มีอารมณ์อันเดียวสมาธินี้เรียกว่าฉันทาทิปติสมาธิถ้าภิกษุทำวิริยะให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิาได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวสมาธินี้เรียกว่าวิริยาทิปติสมาธิถ้าภิกษุทำจิตให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียวสมาธินี้เรียกว่าจิตตาธิปติสมาธิถ้าภิกษุทำวิมังสาคือปัญญาให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียวสมาธินี้เรียกว่าวิมังสาธิปติสมาธิสมาธิสี่อย่างโดยแยกเป็นอธิบดีสี่ ยุติเพียงเท่านี้อธิบายสมาธิห้าอย่างในสมาธิที่แยกเป็นห้าอย่างนั้นนักศึกษาพึงทราบภาวะที่แยกสมาธิเป็นห้าอย่างด้วยอำนาจแห่งองค์ฌานทั้งห้าในปัจจกะตในดังนี้คือฌานที่จัดเป็นห้าฌานนั้น เพราะแยกทุติยาชาญที่กล่าวไว้ในประเภทแห่งชาญโดยจตุกกันในเป็นสองชาญอย่างนี้คือเป็นทุติยาชาญด้วยก้าวล่วงแต่วิตกหนึ่งเป็นตติยาชาญด้วยก้าวล่วงทั้งวิตกทั้งวิจารหนึ่งนอกนั้นเหมือนในจตุกกันในกล่าวคือปฐมชาญมีองค์ห้าได้แก่วิตกวิจารปีติสุขและสมาธิทุติยาชาญมีองค์สี่ ได้แก่วิจารณปีติสุขและสมาธิตติยชาญมีองค์สามได้แก่ปีติสุขและสมาธิจตุตถาชาญมีองค์สองได้แก่สุขและสมาธิปัญจมชาญมีองค์สองได้แก่อุเบกขาและสมาธิก็แลองค์แห่งชาญห้าเหล่านั้น เรียกว่าสมาธิห้าอย่างด้วยประการชนนี้